أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يجادلون في آيات الله. الذين يجادلون في آيات الله. b i h a y risul panin a t a h u m k a b u r a m a k a t a n i n d i l Allah. Wa Aidil Allah. بذلك يا طبع الله على كل قلب م ت ق ب ل ج ن ا ว่ากล่าวฟรงอาว์ย่ามานู لعلي أبلوا الأسباب أسباب السماوات فقل ع ل ى إ ل ه موسى ว่าِินว <ت ص في ق> ่ ل َินอีละََุหุค ك َิบาแ ل ะ ن َบูยินาลิฟราอู รู้กِ و َันและตัَกันเส้นบั้มคิดฝีง ว่าก็หลั ي ท م ่อา mana ยาข้าวมิตตบิ عون อะดิคุมซาบิลราชะเด يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متع. ا อินนั่ลอาคราตฮิยาดะฮุลกาอัลลอฮฺผนังมิละชัยะฟาลาญุจัะอิลลัมิสลฮะ วَ a n عمى الصالحات ميتكارين أو سا و هو مؤمن و َ أ ُ و ل َٰ ئ ِ ك َ ي َ د ْ خ ُ ل ُ و ن َ الجَنَّةَ ْ الجَنَّةُ الْجَنَّةُ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م อินนัลฮัมดุล illah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ومن س ا ت عمالنا ما يهله الله فلا مضلله وَمَن ي ض ل ل ف َ ه َ د ِ ي َ ا ل ََ س َ ل ُ و ا ل َّ ه َ إِلَّا ل َّ ا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَسَلُوا أَنَّ مُحَمَّدًا ع َ ب ْ د ُ ه و َ ر َ س ُ و ل ُ ه Allahumma bika asbahna wbika amsayna wbika nahiya wbika namuto waillaikan nushur. أعوذ بِكَ لِمَاتِ الْلَّهِ ت َ ل َ الل م َِّ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ س َ م ِ ه ِ ش َ ي ْ ئ ً فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي ا ل س َّ م َ ا و َ ا ِ وَهُوَ سَمِيعٌ ع َ ل ِ ي م ر ض ا ل ل ه ي وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل و س و ء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمي وعافني في بصر اللهم فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة พร ك เจ้าค م อทุก ا ิ่งและเป็นเ ل ้าของทุกสิ่ ن ฉะนั้นข้าพเจ้า ا ออ ش างอิงจากพระคัมภีร์แ و ะพระธรรมที่บอกว่าข้าพเจ้าขออ้างอิงจากพระคัมภีร์และพระ م รรมที่บอกว่าข้าพ อับประพนะอัลลอ ل ์ผู้ทร ع สร้างเ ل ا ขึ้นมาบนโ ي ن นี ي ن ้วยพระ ل ระส ل ค์ ل อ ه พระอ و ค ل เพื่อให้เร ب ได ا รู้ ن ัก م ระองค م س ละ ا ู้ ا ل กพระนามของพร ن องค์และรู د จักพ ه ะคุณของพระองค์และรู้จักพระบารมีของพระ ในรั้งมน ت กาอัล ل ักริสุอัลสลิฉันน ي คุลลุวะและติกลิฮอร์และอวาบอิลาห์คนอนเราต้อง ขอบคุณอัลลอฮ์นะนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆพอการนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยทำให้หัวใจสงบสงบจริงๆนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยหัวใจสงบจะนั้นจะให้ร่างกายแข็งแรงถ้าใจไม่สงบเนี่ร่างกายไม่แข็งแรงเดินตามกุรานเถอะไปนองปลอดภัยที่สุดกุรานอายาไหนที่บอกว่า หัวใจสงบแล้วก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงอาลาบิพิคริลลาฮิตัตมาอินนุลโคลูจงรู้ไว้เถิดว่าด้วยการรำลึกถึงอัลลอ์เท่านั้นแหละที่จะทำให้หัวใจสงบพอหัวใจสงบร่างกายส่วนอื่นก็แข็งแรงไปหมดบางคนเนี่ยบอกว่าต้องออกกำลังกายถึงจะแข็งแรง มันก็ออกไปเหรอแล้วม่ได้ว่าแล้วไม่ได้ห้ามแต่ว่าการนึกถึงอัลลอฮ์ต้องเมอร์ต้องมาเบอร์หนึ่งนะซ <c oughs> ึ่งเราต้องเบอร์หน่งแล้วก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงเนี่ยต้องเลือกทานอาหารด้วยอย่ากินของคารอมในกุรานมีใช่ไหพูดเรื่องอาหารเนี่ยหลารันอีกคํานึงอะไรต่อยีบัน มุสลิมเนี่ยทั่วโลกต้องเลือกทานอาหารที่ฮาลาลอันดับหนึ่งฮาลาลแล้วต้องต่อยิบด้วยต่อยิบแปลว่ากินแล้วสุขภาพเราดีถ้ากินแล้วมันไม่ต่อยิบก็อย่าไปทานะฉะนั้นเมื่อเราเราเป็นเราก็ต้องรู้ว่าเราเป็นเราเป็นมุสลิมนะเดินตามกูรานเดินตามนาบีเนี่ยสุขภาพแข็งแรงหมด อย่างเงี้ยอัลลอฮ์เล่าว่ามีนอาหารสําหรับคนชาวสวรรค์อัลลอฮ์พอเอาเข้าสวรรค์เสร็จแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะต้อนรับให้คนชาวสวรรค์นี่กินอะไรก่อนหรือเปล่าทานผลไม้ ก, ก่อนผลไ ม, ม้มองไทยนี่ยเยอะนะกล้วยเนี่ยฟรังเนี่ส้มเนี่ใช่ไหมเนี่ย ฉะนั้นถ้าจะให้สุขภาพของมุสลิมทั่วโลกน ะ, ะพวกเราก่างวันแล้วกันว่าจะให้สุขภาพดีนะทานผลไม้ก่อนทานอาหารทุกครั้งเอาทานเหนวนะสามช่มงใ่ก็มีกล้วยสั้งลูกหนึ่องอย่างน้อยนะกินฟาลัม ส, สองแบบแก้บวนนะแก้บวชทานยังไงนั่นแหละรูปแบบเดียวกันเลย <laughs> ล้วก็ไปนะัมงนมาแล้วก็กินอาหารหนักที่หลังใช่ไหมนี่ไง สุนทรนาบีทั้งหมดสุขภาพจะแข็งแรงต้องทานผ ล, ลไม้เป็นอันดับหนึ่งรองลงมาก็อาหารหนักและรองลงมาก็เขาุูไหนที่อัลลออธิบายไว้นกครเพื่อ่านวเพื่สุขภาพหมดเลยแต่เราคิดไม่ถึงอ่ะเราเดินตามตามประเพณีปฏิบัติจังๆกันทั่งลืมเอ๊ะทำไมาฉันแย่ทำไมหัวหมุนทำไมบ้านหมุนก็ไม่ได้เอา หลักการที่เอาลห์ให้นักุิอากามช่ยชีวิตประจำวันเดินตามอารมณ์อารมณ์มารมณ์หมดเลยก็ไม่ได้ตกนรกหรอกเองแย่ต้องไปหาหมองขอบคุณเอาล้อนะครับเรามาถึงสุระอนอัลโมมินหรือเรียกอีกอย่างดนึงอะไรนะลอฟิร์คำแปลดีทั้งหมดนะมมินแปลว่าผู้ศรัทธากอฟิร์ผู้ ให้อภัยอโลอไม่เอาโทษดีไม่ดีดีมากกับเราทำอยู่ยเลยละเราอยู่ในช่วงสูรที่สี่สิบนะอายะที่สาสิบห้าสมสบห้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอายะที่ส4สบสี่เนี่ยพูดเรื่องนบียูซุฟใช่ไหม ว่าแล้วก <st> ็จะเจออาคุมโยสุฟมิงกับลูบ م ลไบย์นัดฟาม م ซิลตุมฟมาเคุบอล่าให้นบีมุ hammad ฟังแต่ว่าสมัยนบีมูซ่าเลยที่สลายมัสอัลสนฮานี่แล้วก็ มีคนที่อีมานต่ออัลลอฮ์อยู่คนหนึ่งอยู่ในพระราชวังฟาโรนั่นแหละเป็นญาติสนิทกับฟิรองูนเป็นลูกของลุงซึ่งปกปิดอีมานเอาไวค้คงจะหลายปีน่ะ น, นะเขาฟังนบี ม, มูซามาตลอดแล้วก็เห็นมวอดีศาสต่ต า, ต า, ต า, ต า, ตางๆใช่ไหมเช่นโยนไม้ตะพดเป็นงูเนี่ยชัดศรัทธาเลยเชื่อเลยอ่ะ ใช่ไหมแล้วก็ปกปิดความอิหมานเอาไว้ในใจก็พูดนะพูดเตือนฟารโรห์แล้วเป็นอะไรนะเป็นหัวหน้านายตำรวจอีกเองจากตําลิตหลายๆเล่ม อ, อธิบายอย่างนั้นนะพูดมก็พูดเตือนบอกว่าก่อนหน้านาบีมูซาจะมาเนี่ยมุนบีมูซาเป็นคนดีนะรก็เอาความรู้จกากอัลลอฮ์มาให้แล้วก่อนหน้านาบีมูซาฟารโรห์เอ๋ยยูซุฟก็เคยมาในแผ่นดินนี้เลย ในแฟนดินอียิปตเนี่ยอย่างน้อยมีสองนบีเพื่อบอกให้ฟาโรเข้าใจเองอย่าลลงกับเงินอย่าหลงกับตําแหน่งเกียรติยศชื่อเสียงที่มีอยู่เนี่ยมันพาคุณไปสวรรค์ไม่ได้เราทั้งหมดเหล่านี้นะถ้าจะพาคุณให้รอดทางดุญยจะอาะคือเราเดินตามนาบียูซุฟและนบีมูซาอะลัยฮิสลามเขานาอะไรมานะครับ บินบายนาะานำเอาหลักฐานที่ชัดแจ้งมาให้คุณเป็นมั่วิจารต่างๆแต่พวกคุณก็ยังสงสัยอยู่ต้องการอธิบายอย่างนี้ว่าชีวิตเราเนี่ยอยู่แบบสงสัยไม่ได้จะนับถืออิสลามเนี่ยเอยอ a l ไม่จริงเปล่านบีมุฮัมมัดนี่ใช่นบีจริงเปล่ากุรอานนี่ถูกต้องพันเบอร์เซนต์เปล่า สุนา่านาบีนี่พาเข้าบ้านได้ไหมถ้าสงสัยนะคุณนักถู่อิสลามเราไม่ไปพอใจแล้วก็อิสลามของคุณก็โม้าหมดอนะ่ะฉะนั้นนี่เราเตือนนะอ่าเล่าเนี่ยชายคุนี้อยู่เตือนนะมีความรู้ดีนะสแสดงกุมูซาสอ ย, ยังไงไม่ราบนะเจ๋งหมดแล้วทำดีลเจ้านี้จะเล่านาบียูซุฟนิดหนึ่งนบียูซุฟเนี่ยอายะ ที่หนึ่งร้อยของซูราะยูซุฟโตรที่สิบสองนะนอลัลลอฮอธิบายอย่างนี้เมื่อนบียูซุฟถูกแต่งตั้งให้เป็นอะไรนะเป็นคนแจกอาหารเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่เลยนะเรื่องอาหารว่าจง่ายๆกว่าแล้วกันนะพ่อมาพอพ่อมานาบียูซุฟนี่ก็ไปต้อนรับพ่อข้ามอกเมืองเนี่ย เป็นมารยาทอันสวยงามนะพ่อลูกกับพ่อเนี่ยพอพ่อมาเนี่ยไม่จะนั่งเตะท่าให้พ่อเดินมาหาเราไม่ใช่เราต้องเดินไปหาไปหาพ่อนี่จกักรวาลเลยนะเดินไปหาพ่อแล้วก็บอกว่าอินชาอัลลอ์เราเข้าไปในเมืองแบบปลอดภัยใช่ไหมไม่ทิ้งอัลลอ์ด้วยบางคนนี่พอมีตำแหน่งใหญ่บ้นก็ลืมหมดแล้วใช่ไหมลงอัลลอ์ฉันไม่เกี่ยวแล้ว ห้คนมาต้อนหน้าต้อนหลังแต่นบียูซุฟไม่อย่างนั้นไปรับพ่อข้างนอกพี่น้องมาหมดเลยนะ <c oughs> แล้วก็พูดว่วอินชาอัลลอฮฺอาเมนการเดินเข้าเมืองเนี่ยปลอดภัยนะถ้าอาลัลลอฮประสงค์เห็นไหมไม่ทิ้ง อ, อัลลอพอข้ามาในพระราชวาังเสร็จแล้วก็ให้ให้พ่อกับแม่นั่งอยู่บนแท่นะแล้วก็บอกกับพ่อว่าที่หนูฝัน เมือ่อส0สิบปีสีส่ปีที่แล้วนะ่ะเป็นความจริงแล้วก็ยูซุปก็เล่าอามีานคนถามว่าชีวิตคุณเป็นยังไงยูซุปเล่าเรื่องดีๆเรื่องเลวไม่เล่าเล่าว่าไงรู้ไหมก็จาอาฮ า, าร บ, บีฮักออัลลอได้ทำให้เรื่องราวทั้งหมดของผมของฉันที่ฝนันฝันนี่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลย ว่าพอดาอัลสานะบีอัลลอฮฺน์นั้เมตตาฉันมากอิกอัครราจินีมินัลซจนินีให้ฉันออกจากคุกอีกตอนเข้าคุกพูดไหมไม่พูดกระเทือนใครกระเทือนพระราชนีอา <c oughs> ต่อมาครับว่ <c oughs> าจะอาบิคุมินันบวัดุวีแล้วก็พาพวกท่านเนี่ยอัลลอฮฺาพาให้พวกท่านน่ยจากคุณพ่อคุณแม่นี่นะ ยาติพี่น้องอีกสิบเอ็ดคนนี่สิบคนนี่มาเจ้าชนบทนี่อลัลลอฮฺนำมานะเห็นไหมทีนี้ไอตอนโยนใสบ่บ่อเนี่ยทำไมไม่เล่าอาลัลลอนเนี่ยให้ฉันออกมาจากบอ่อเล่าไหมทำไมไม่เล่าอลมา ก, ก็อธิบายดีก็ว่านี่หละคนดีฉันใครจะเป็นคนดีเนี่ ย, ยจะตําหนิพี่ชายตัวเองน้องชายตัวเองถึงมันจะเลวขนานไห น, า น, าน ต้องรักษากันไว้รักษาปากาจามิอาจจะคิดอกติอยู่ก็จะเวลาพูดอย่าพูดนี่เตือนใครนะเตือนพวกเราที่อ่านกุรอ่านแน่นอนชีวิตเราเนี่ยมันจะมีทั้งขมด้วยใช่ไหแล้วก็หวานด้วยถ้นไอ้ไอ้ของที่มันไม่ดีใครทำนะก็ญาติพี่น้องเรามาทำแล้วจะด่า ก, ก็ได้ไหม มีทีวีจะมยายดาไม่ได้มีไมโครโฟนจะมายดาไม่ได้จต่ธรไม่ด่าเพราะเดินตามคนดีบรรดานับีทั้งหมดเนี่ยเขาไม่พูดเรื่องสก็ปล อ, อกของจารียมพี่ปากของเขาเพราใจนะไม่เล่าเรื่องตกบอ่อไม่เล่าเรื่องอยู่ในบอ่อแต่เล่าว่าออกจากคุบแล้วก็พ่อแม่เดินมาเจ้าชูชนนบทแล้วปลอดภัยแล้วก็ทําใช้ตอนทําให้พี่น้องแตกแยกแข่นใช่ไหม <laughs> ท่อยใคร เธอใจตอนปลอดภยัยหมดเลยนี่ไงคนดีเวลาเขาไม่ตำหนิคนแบบซึ่งซึ่งมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาวตาริมาอาญาที่สามสิอัลลอีนัยูจาดีลูนัฟีอายาติลลาฮิบิไรดิสุลกอนินอาตาฮุมกาบูรมักตันไนดัลลอ وعند الذين آمنوا <ت ص في ق> كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبر ا الذين يجادلون في آيات الله ب غ َกริสุล أ อนอ ه ตา ب ุมกบุรามักตันอิَดัล وعندال ذ ي ่นั้ م َเมน ذلك ي ัต ع ะอ ل ل ลอฮ์ ع ل ى ك ل ق ل ب م ت ك ب ع ل อัลลอฮ์ิบอัลลอุลีขลิบมุตคบิรินจบบะฮัมดลิลลาฮอยานี่ต้องการจะเล่าลักษณะลักษณะของคนที่สงสัยคนที่สงสัยนี่นะอิสลามแท้เปล่า คุณอานมาจากอัลลอฮ์จริงเปล่าตายแล้วฟื้นจริงหรือเปล่าไม่สงสัยอ่ทนี้อัลลอ์เล่าเลยคนสงสัยสัญญาณต่างๆของอัลลอฮ์จะมีลักษณะแบบนี้เราต้องระวังตัวเนี่ยนะอัลลนี่นะอยาดีลูนคือมันได้พูดที่โต้เถียงจะชอบเถียงอนะ่ะ โอ้เถียงเถียงแรกเลยแหละใครพูดเรื่องอิสลามกูเถียงเถียงเถียงเถียงเถีย ง, ยงโตโตโตโตโตนี่นิสัยของคนที่ไม่เข้าใจอิสลามเข้าใจเหมือนกันแต่สงสัยในคําสอนของอัลลอฮ์แล้วรล เ, ลเราสู้จะโต้มันเลยเดี๋ยวเเล่าแล้วนะคนที่อิมานต่ออัลลอฮ์ในของของกรรษัตริย์พระสานนี่นะ อัลลนใดน่ะยุยจา ด, ดีลูน่ฟีอายาติลเกี่ยวกับสัญญาณต่างๆของอัลลอฮสัญญาณหมายถึงคุนอ่านก็ได้สัญญาณหมาย ถ, ถึงมวลยิศาสต่าง ๆ, ๆก็ได้สัญญาณหมายถึงชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เทียงหมดขบัลลอฮ์สรางใหม่ใช่มาใช้นี่มันเกิดเองคนเกิดเองอะไรก็ตามแต่เทียงเถียงเถียงเถียงเถียง เดีกดาบุกอานโดยดาสุนาสุนาณบีมาให้เข้าบ้านผมเขาไม่ว่าเราก็เชิญน่ะเดี๋ยวอัลลอฮฺให้เองเองอ่ะไม่เอาสุนานบีข้าบ้านมีปัญหาเดื อ, รอดร้อนคุณแก่ย่งไรอ่ะแค่สามีภรรยาทะเลาะ ก, กันเนี่ไม่เอาสุนนาณบีเข้าบ้านบ้านพังเลยนะ่ะแยกกันเลยระบวางสามีภรรยาอย่ะสนุกตรงไหนอ่ะชีวิตนะ่ะเราต้องการมีความสูงบนโลกดุนยาทิ้งสุนนะาณบีได้อย่างไง ข้ออัลลอฮ์บอกว่าบุคคลตัวอย่างในโลกนี้ในยุคปัจจุบันนี้คือนบีคนเดียวอ่ะแล้วก็นบีเนี่มาสอนคนทั้งโลกใช่ไหมส่วนนบีที่มาก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดมาสอนคนเฉพาะกลุม่มแต่ส่วนมุฮัมมัดเนี่ยอะไรนะวะมาอัลลนะก็อิลลาระห์มัตันลินาจะมีนาสอนคนทั้งโลกเลยแล้วปฏิเสธลุกนานบีได้อย่างไร อย่างนี้เป็นต้นนะครับบิรยรซูุลกอนโดยไม่มีหลักฐานมีหลักฐานอะไรบ้างว่ามาจากอัลลอ์ถ้าอัลลอ์ชี้บอกอันนี้มันสงสัยนะคุณเถียงอัลลอ์เถียงรอซูลเถียงอิสลามเถียงวันเกียมัติเถียงตายหรือว่าไม่ฟื้นเนี่ยคุณพูดไม่มีหลักฐานเลยนะอารมณ์นะใช่อารมณ์หมดเลยอาตาฮุม ah um นะครับ <clears throat> ที่มายังพวกเขาคนที่โต้เถียงนะครับแล้วก็โต้แย้งกับสัญญาณต่างๆของอัลลอ์นี่นะเราไม่เป็นไงครับดูสักต่อไปกาบูรอมกตันกาบูรอมกตันไอนดลอัลลกาบูรอเนี่พแปลว่าเลว หรือยิ่งใหญ่แปลว่าใหญ่ยิ่งกะบุตรกรรมจากกระบีะบะบ่เนี่ยนะการยิ่งใหญ่มักตันหน้าเกลียดหน้าชังชั่วช้าน่าเกลียดหน้าช่างชั่วช้ายิ่งชมหรือด่าคนที่โต้เถียงสัญญาณต่างๆของ <an> อัลลออนั้นอัลลอฮ์เล่าเองนะอะไรนะกาบุรมักตันเป็นอะไรนะ เป็นที่น่าเกลียดเป็นที่น่าชังยิ่งอินเดลอนะอัลลอฮ์นี่คนที่ญาติฟาโร่เนี่ยที่ إيمان ต่ออัลลอฮ์แบบลับๆไม่เผยใครรู้ผู้จ่าดีนะนะตัวล้วคนที่เถียงเถียงเถียงอัลลอฮ์เถียงรอซูลเถียงกดกดอกราต่างๆที่อัลลอฮ์ให้มานั่งหมดนะคนนี้ไปนะเป็นที่น่าเกลียดยิ่งสําหรับใครนะสําหรับอัลลอฮ์ แล้วนี่กลุ่มกลุ่มแรกนะแล้วกลุ่มที่สองใครวาอินดลลรีนามมนูกลุ่มที่สองนี่ก็เป็นที่น่าเกลียดยิ่งต่อบรรดาผู้ศรัทธาต่อหรอกผู้ศรัทธาที่มีอิมาลพันเปอร์เซนต์หรือรอยเบอร์เซนต์ทั่วโลกนะครับเขาตำหนิคุณน่ะแต่คนนั่งเฉยๆเขาเดาะเราจะทำลายคนกลุ่มนี้ด้วย เราไมา่ต้องโฆษณาไมา่ต้องมายกมือหกนิวน้วเจ็ดนิว้วแปดนิ้วเราไม่ต้องอะ่ะเราก็แค่ขออุทานเราเนี่ยมารยายของผู้ศรัทธาเลาเราไม่ด่าใครอะ่ะใช่ไมบางศาสดาเบี้ยยุสุปในะโอกาสจะด่าพี่ชายมีไหมมีก็ยืดก็จับยุซุปจำจะจะไม่ จ, จ, จ, จาเหลือพี่คนไหนจับโยนแล้วพี่คนไหนเอาเท้าถีบหน้าจะจะไม่นึกเหรอมันนึกทั้งหมดนะ่ะ แต่พูดไหมไม่พูดนี่ก็เหมือนกันนี่ตำเนียอลัลลอฮ์น่ะใช่ไหมพอตำเนีอลัลลอฮ์ปั๊บอลัลลอฮ์บอกว่าเป็นความเป็นที่น่าเกลียดยิ่งต่ออลัลลอฮ์และเป็นที่น่าเกลียดยิ่งต่อบรรดาผู้ศรัทธาต่ออลัลลอฮ์ต่อมากับเรื่องเรื่องที่สองคนที่ต่อต้านหรือโต้เถียงอายะต่างๆของอลัลลอฮ์ กาลาลิกในทานองเดียวกันย่อตัวเบารออัลลอฮฺจะประทับตราหรือผันหนึกอัอลลอจะตีตาประทับหัวใจเลยจะานี้ประทับตาใครหัวใจมนุษย์แล้วประทับตาหัวใจอ่ะกินได้ไม่ได้นอนได้ไหมได้ใช้เงินได้ไม่ได้หาเงินได้ไม่ได้แต่ลืมอลัลลอ คนถ้าลืมมันลอยอย่บญญาบนดุงยาเปนี้อร่อยแนละเพลินด้วยนะจะนอนผู้หญิงกับใครก็ได้ใช่ไหมผู้หญิงมาที่บ้านเราเนี่ยจ้องได้ไหมได้ก็กูดไม่เอาวันลอยแล้วนะมันมารู้สึกตัวนะขออ่อยาขอเล่าเรื่องเก่านิดหนึ่งคุณอ่านอธิบายเรื่องคออินาตุลอ า, อายุนใช่ไหมดวงตาที่ทรยศอันเราเอาเรื่องอะ่ะจะนั้นโมมินต้อง สํารวมตนตลอดเวลาเลยนั้นน่าจะไปไหนมาไหนไปได้ไมีปัญหาแต่ว่าสํารวมตาด้วยมองอะไรที่ควรมองและไม่ควรมองอย่างดีเป็ตนยะตบะอุลลอฮฺอุลลอฮฺจะประทับตาหรือผนึกอาณาบุกุลิทุกทุกกอนบุญหัวใจเห็นไหมประทับตาที่หัวใจแค่ไม่มานมาดวันศุกร์สามอะไรนะ สวันสุกติดต่อกันตั้งใจทิ้งเราจะบระทับตาหัวใจของเขาทุกคนกลัวหมดนะเรายังกลัวเลยแต่ไอ้โควิดที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้มันเป็นการทดสอบจากล้อเนนะอ้อยู่ห่างอยู่ห่างดิสเทนซิ่งกี่กี่กี่เมตรกี่เมตรใช่ห้ไม่รวมตัวกันอันนี้มันเป็นอะไรนี่นเปนการทดสอบจากล้อนะครับต่อมาครับมุตรกระ บ, บิรินจองหอม เนี่ยคนที่โต้เถียงสัญญาต่างๆของอัลลอ์เนี่ยอัลล์ด่าว่าไงนะว่าด่าว่าชมดีตํำหนินะมุตกรรเรินผู้ที่จองห่องยับบารินคนที่ยิ่งยาโศลอร์เนาซาบิลลฮิมซาลิตนะครับอ่ะทีนี้ผมเช็คกูรานนะครับคำว่าตบอัลลอฮ์หรือ AH, รยับบาอัลลอฮ์อัลลอ์พประทับตาหัวใจคนนะ มีมีคนกลุ่มไหนบ้างที่อัลลอ์จะประทับท่าหัวใจหนึ่งคนที่ปฏิบัติตามอารมณ์ตัวเองอัลลอ์จะประทับตาหัวใจของเขาสุรุ์มุฮัมมัดอายาติสบโมตอบอัลลวาเลกูลูบิหิมวัตบ่าวอหวอุมคนที่เดินตามอารมณ์ ไม่เดินตามสุนนนาบีไม่เดินตามอัลกุรอานไม่เดินตามความรู้ที่ผ่านวาฮิอลัลลอฮฺจะประทับตาของเก่าดีได้ไม่ดีมีความรู้หมดเลยว่าโอ้เราต้องระวางตัวร่วมทีสองกับตอบมาอัลลอฮฺวาลาคุรูบิหิมคนที่ไม่อ่านหนังสือไม่เรียนหนังสือไม่ฟังศาสนาเนี่ยมี รายการศาสนาให้ฟังแต่ไม่ฟังแต่กูเลือกฟังเพลงก็ฟังดนตรีนะอันล้อก็ประทับใอนะจะมั้งอย่างดีเป็นต้นนี่ให้ความรู้นะ น, นะเครื่องที่สามยะตบะอุลลอฮฺวาลาคุลูบิลกาฟิรินคนกาเฟตในสมัยนบีเนี่ยนะเนี่ยอันล้อต้องการจะทาขวงเรืคนกาเฟตที่แอนตี้นบีทําำลายนาบีวางแผนไล่นบีออกจากมักกะนะอันล้อประทับใจหัวใจของพวกเขาหมดแล้ว เรื่องที่4นะครับเอาล้อประทับตาจ้องหองคนที่จ้องหองหัวใจที่อะไรนะจ้องหองหัวใจที่หญิ่งยโสหัวใจที่กระด้างเนี่ยเอาล้อประทับตาหมดแล้วฉะนั้นประทับตาดีเลยไม่ดีไม่ดีในกลุ่มมุสลิมแค่ไม่มานาวันศะุกร์สามวันศุกร์เอาล้ออยากบอกนบีโอฉันจะประทับตาหัวใจของเขาเรายังกลัวเลยเอาต่อมาครับย่อที่36 وقال فرعون يا همان ابن لي صرح لعلي أبلو الأسباب وقال فرعون يا همان อิบนนลีซร์ฮาละอีอับลบุลอาสบับ ا ل ح م ล لله ฟิรุนได้ยินคนใครนะฮามานเห็นไหมมีชื่อเลยนะเพื่อไม่ให้ลืมและอีกคนเองรวยที่สุดอะไรกอรูน มนบีมูซาฟิรูนฮามานกอรูนแล้วคู่กับมูซานาบีอะไรนะบิฮารูนเห็นไหมเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้แล้วก็มีที่ปิดบังความลับเอาไว้เรื่องอีมานนี่นะนี่ฟิรูนได้พูดกับฮามานฮามานเรืไม่เป็นอะไรเป็นรัฐมนตรีอ่าเป็นตําแหน่งรัฐมนตรีอยู่ในพระราชวัง อยู่ในทำเนียบรัฐบาลนอ่ไว่ายนันั่งไปบุญหลับคุยใหญเรื่องเก่าแล้วหลายพันปีมาแล้วนะเราเล่าให้ฟังนะครับว่ากัลฟรอนฟรอนพูดบอกว่ายาฮามานฮามานเอ๋ยฮามาเดนไป็นกรักรัมนตรีนะตำแหน่งใหญ่มากเลยล่ะสั่งสั่งงานฮามานเอ๋ยอิบนีลี จงสร้างให้ฉันจงสร้างให้ฉันนี่ขอร้องพามานให้ทําให้ฉันให้สร้างให้ฉันให้ก่อให้ฉันก่ออะไรหรือเป่าสรหันหอสูงสูงความความสามารถในยุคนั้นมีแค่นั้นแหละสมัยนี้ก็อวากาศอ่อาใจแล้นนะ ยานวากาศขึ้นไปสร้างอาญาณวกาศให้ฉันหน่อยถ้าสมัยนี้นะแต่สมัยนุ้นว่าไงนะสร้างหอสูงๆให้ฉันหน่อยคนจะสูงแบบดูใบหรือเปล่าวันเราอาลาไม่รู้นะนี่น บ, บีพูดอย่างนี้น บ, บีมุ hammad พูดบอกว่าคนที่มีเงินเยอะๆถ้าไม่มีอิมานเนี่ยก็จะไม่บริจาค พอมีอิมานจะบริจาคทีนี้เวลามีเงินเยอะไม่บริจาคจะทำไงรู้ไหมจะผานเงินโดยไม่รู้สึกตัวในการสร้างบ้านใหญ่ๆน่าคิดนะมีเงินเยอะแต่บริหารเงินไม่เป็นบริหารเงินให้ตัวเองตกนรก นบีก็แนะนําไว้นะระวังนะในสมัยนบีมีชายอยู่คนหนึ่งสร้างอาคารสวยนบีเดินผ่านนาบีไม่พอใจอ่ะมึงสร้างทาไมวะเนี่ยมึงผ่านเงินทาไมทำไมไม่เอาเงินนี่ไปบริจาคคนยากคนจนเห็นยังนะคนมีเงินนะวิธีผ่านเงินที่นิ่มนวลที่สุดที่ดีที่สุดที่ง่ายที่สุดมองดูสร้างแล้วฉันจะมีเกียรตินะ สร้างบ้านใหญ่ๆราคาส0 0รอล้านอ่ารืมีอยู่ยี่สิบหลังทั่วประเทศนะพอเป็นโรคมะเร็งรู้สุกตัวลไ อ, อ้ยาุูสร้างทำไมวะอย่างนี้เป็นเดินเอาแต่แค่นี้พอวากอลแลเฟรอนฟิรอนพูดยังไงละไหมายาฮามานฮามานเอ๋ออิบนิลีจงสร้างให้แก่ฉันนะหอสู ง, สง ล่าลีเพื่อฉันจะได้อับลูอันอสบับหาทางขึ้นไปข้างบน อ, อสบอับเนี่ยในภาษาในภาษาอุ ด, ดูแปลว่าดารวะแปลว่าประตูหรื อ, อ, อ ท, ท, ที่ที่ที่ที่สูงๆงนันนะ ให้สั่งให้ฮามานสร้างอาคารสูงๆเพื่อเขาจะขึ้นไปข้างบนหรือไปขึ้นมาทำอะไรใช่ไหมไปดูพระเจ้าของนบีมูซาอะไยฮิสตาลาพระเจ้าป่าแต่นี้ภรรยาของฟาโรก็ขอดุอาเหมือนกันขอประโยคเดียวกันคล้ายๆกันน ะ, นะครกัน ว่าอิศะกล่าวทุรรบีบุ عندك ب, ب ي, ب ي ت ا في الجنة นะสุลต์ห้าห้าห้าหห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห้าห ل าห้าห้าหาหห้าหาห้าห้าห้าาหาห้ห้าห้าาาหาาหห้าาห้ อัลลอ์ได้สร้างบ้านหลังหนึ่งณนะที่อัลลอ์ในสวนสวรรค์ให้ฉันขอต่างกันไหมภรรยาถูกกดทีจากสามีเพราะอีหม่างต่อนนบีมูซาแล้วก็จะตการจะเอาหินนตรทุ่มฆ่าภรรยาตัวเองนี่ใจโหดขนาดไหน เพราะไม่มีอิมานไม่มีตักวาไม่มียะตีนอย่างเดียวนี่นะมีแต่งเงินตำแหน่งชื่อเสียงสี่รายการนี่นะฆ่าคนได้หมดนะคนอื่นนะสามฆ่ามาแล้วใช่ไหมฟาโรนะนี่ฆ่าเมียตัวเองอะ่ะเพราะมันหักหน้าอิมานตอนนบีมูซาทําไมขอดมาภรรยาขอมาชายภาษาเดีวยวกันอิบเนลีจงสร้างให้แก่ฉันใบตับตนบ้านหลังหนึ่งฟิลญา น, นะ อินเที่สวรรค์เรารับไหมรับดูอาเลยส่วนฟาโรขอร้องให้ฮามานสร้างอาคารสูงๆเพื่อฉันจะไปแอบดูพระเจ้าตามกันไหมฟาโรวิ่งหาพระเจ้ายังหาพระเจ้ายังสงสัยอยู่ว่าพระเจ้ามีเปล่าสร้างอาคารให้สูงๆฉันจะเดินขึ้นไปดูพระเจ้าส่วนภรรยาเขาอีหม่านต่อรอ1000ันเปอร์เซนสงสัยไม่มี ขออลัลลอฮ์สร้างสวรรค์สร้างบ้านให้ฉันในสวรรค์อัลลอฮ์รับด้วอ่ะส่วนฟาโรก็เขาก็สร้างนะพที่ฟาโรก็สัง่งสร้างหอเนี่ยทำอย่างนี้ใช้อิฐอิดนี่เขาสอเลยนะพามานไปปั้นดินเป็นก้อนๆแล้วเอาไปเผานี่ฟาโรสรั่งนาะนี่เป็นความดีอันหนึ่งให้ให้ใหโลกดุนยาใบนี้นะ วิธีเผาอิดคาสอนพูดง่ายๆในใคาสอนฟาโรสอนนี่เป็นความดีกับโลกดุนยานะเพราะนั้นวันนี้อิดทั่วโลกนี่นะเรียนแบบครฟาโรฟาโ ร, าโรสั่งคาสั่งหามานอ้านแค่นี้พอนะครับทีนี้ผมอ่านในตับศรภาษาอูรดูทับศรภาษาอูรดูอธิบายอย่างนี้นะครับ สัพสีประาอุดูพิมทีนตดวะตุลอละมะที่าทหาวลาของผมเนี่ยชื่อนังสือมารนามาจิดีหน้าที่1 6อธิบายบอกว่าหลังผ่านมาแล้วหลายพันปีแสดงถึงความไม่ฉลาดของรัฐมนตรีของรัเสเซียชื่อครเชฟหลังจากได้ส่งยานอาวกาศ ไปขึ้นไปบนบ น, บนชั้นฟ้าเนี่ยนะหลงจาน์หรือเปล่าอัลล์มาลมันจะพูดในรายละเอียดเพื่อเยียดยา้อิสลามอ่าหลังจากยานาวกาศ ล, ลงมาแล้วมาพูดแล้วว่าไม่พบพระเจ้าไม่พบอลัลลอ์บนชันฟ้าคำพูดเหมือนกันเหมือนคำพูดของฟาโรอ่ดูอายะต่อไปส7เ أسباب ا ل س ماوات ف ض ل ع علا إله موسى و َ إ ن ي ل َ أ ظ ن ُ ه ك َ ذ ب ا و ك ذ ل ك ز ي ن َ ل ف ر ْ ع و ن س و ء َ ع م َ ل ه و س د ع ن ا ل س ب ي ل วَาَ um ah. ي د ف ي ยดูฟิร้างอุ ب ا ิล ل ั م ا ف าบับอัลลَฮฺอัลลอฮฺเราประดับอัลลอฮฺอัลบับ ا บอัลลอฮฺ وكذلك จุ ن ณ ل ล رعون ชูอุ ع มลิวสุดดั้งเสบิลว ا ك ไม่ رعون อิลลัฟิตบับบะฮะมดุลลอฮฺอัลสาบ س ัลซนี่แปลว่าประตูห <اب> รือแปลว่า ทางขึ้นาทางขึ้นหรือประตูเรียกว่าอสบาบอสบาบบสมาว่าทางขึ้นไปยังชันฟาหรือประตูขึ้นไปยังชันฟาให้สร้างหอคอยสู ง, สงเพื่อฉันจะได้ขึ้นทางนี้ฟัปกอรีอิลาเพื่อฉันจะได้เห็นอิตอลาแปลว่า ขึ้นไปจะได้เห็นเห็นใครหรือไหมอีลาอีลาฮิอี ล, อ ล, อลาฮ์มาถึงพระเจ้ายังสงสัยพระเจ้าอยู่เลย ไ, ไมยลงทุนเท่าไหร่สร้างหอคอยเพราะสงสัยถ้าไม่สงสัยจะสร้างไหมไม่ต้องไม่สร้างเลยเอาเงินให้คนจนดีไหมอัลลอฮฺอัลล เป็นทางสู่สวรรค์เลยเอาภรรยาชายให้เด็กกันพาสาให้สร้างโรงเรียนสอศาสนาให้สร้างมาเสียดีได้ไม่ดีนี่เงินไม่รู้ว่าเสียไปเท่าไหร่สร้างอาคารสูงๆเพื่อฉันจับไปแอบดูพระเจ้าของขครมูสาลงทุนเท่าไหร่ครับหรือพูดง่ายๆอ่นะทิราเซียลงทุนสร้างยานอาวกาศนะเพื่อจะ ลึกๆนั้นอธิบายแล้วนะเพื่อไปแอบดูพระเจ้าพอลงมา ก, ก็พูดแล้ ว, ว่าไม่เห็นพระเจ้าลงทุนทางไรผลบุญมีบ้างแล้วพู ด, เ, ดเต็มปากแล้วผลบุญไม่ได้ถ้าเอาเงินที่สร้างยานอาวกาศนี่นะหรือว่าสร้างอะไรนะไอห้หสูงๆน ะ, ะมาดูแลเด็กกำพร้า โรงเรียนสอนศาสนาครูบาอาจารย์เด็กกำพร้าในโลกนี้จะมีะได้ไม่มีไม่มีอิสราก็าส่งศัตรูมาเข็นขฆ่าพี่น้องมุสลิมเท่าไหรอ่อ่ะพ่อแม่เขาตายเด็กทำไงครับใครรับผิดชอบอ่ะก็ปล่อยให้พวกเรามุสลิมเนี่ยบริจาคกันเองอ่ะก็แตกกันเมืองแค่นี้เด็ก น, น้อยพอว่าอินนีลาอุ น, นูกาซบา และฉันนึกว่าฉันคิดว่าอ่านี่ยังไม่ยังไม่สะอาดใจเลยนะยังสงสัยอยู่เลยนะว่ามูซานั่นกาลิบาโกหกอ่าฉันคิดว่าฉันสงสัยว่ามูซาโกหกเลยสร้างให้ฮามานสร้างหอสู ง, สง เพื่อไปแอบดูพระเจ้าเพราะความสงสัยอย่างเดียวลงทุนเท่าไหร่ผลบุญไม่มีเลยแม้แต่นิดเดียวใช่หรือไม่ใช่นี่สรุปชีวิตเห็นยังครับกานคนที่สงสัยอะไรก็ตามแต่เองลงทุนเหนื่อยนะถ้าไม่สงสัยสบายไหมร อ, อถ้าสงสัยไป ม, มีฉันอิมานตออาลอดพันเปอร์เซทฉันสร้างมัสยิดเพื่อร อ, อจบไหมจบให้เด็กคําพลาดจบรอรักัาสบายใจอ่啊 ฉันตัดถนนสายนี้ให้ราคาร้รอยล้านเอาไปเลยให้คนยากคนจนได้เดินทั่วประเทศดีหรือไม่ดีบอกอานี่เล่าให้ฟังคนที่สงสัยเรื่องพระเจ้าอย่างเดียวลงทุนเท่าไหร่ก็พบพระเจ้าไหมไม่พบด้วยแล้วลงทุนไหมลงทุนแล้วเสียเงินไหมเสียเงินแล้วแต่ผลลบนไหมไม่มีครับอยู่เป็นตัวเอาตัวมาครับวาคาซาลิกในทรรนองเดียวกันรุ่ยนะ รุยยินไปว่าถูกประดับประดาถูกทําให้สวยงามใครอจูงสมองฟาโร่เรื่องไม่ดีมองเป็นเรื่องดีเรื่องชั่วช่วมองเป็นเรื่องไม่ชั่วก็คือสงสัยในพระเจ้าเรื่องสงสัยว่าอัลลอฮ์มีหรือไม่มีแค่นี้เองอ่ะลงทุน ไม่รู้ว่าเท่าไรเท่าท า, ทาไรลีเฟร้าอันในสายชื่อเลยไงถูกล้างสมองถูกจูนสมองสมองของใครสมองของฟาโร่สูอูอามาลิฮีสูแปลว่าความชั่วช้าอำนานการงานการงานชั่วของเขาแท้ๆลงทุนสร้างหอขระจใจนะ อโลาไหมแค่สงสัยว่าอโล่มีหรือเปล่าลงทุนแค่นี้หมดเงินไม่รู้ว่าเท่าไร่ต่อเท่าไรเห็นไหมถ้าเอาเงินนี้พูดไหมนะเอามาดูแลคนยากคนจนเด็กกำพร้าคนแม่บุญไม่ัหมไม่ดีกว่าเแต่ไม่ได้นึกนึกไม่ถ iting, ึงอ่ะเพราะถูกล้างสมองโดยใายต่อเร็วรวหมดแล้วต่อมาครับวัสุดะอนิสสบิลส uh ุดะแปลว่า ถูกหันห่างถูกบกปิดถูกกัน้นอานิสซาบินหนทางที่เที่ยงธรรมหนทางที่ถูกต้องแล้วการพยายายัย่งคนไม่ฆ่าหัวอร่อยนะัามองเป็นเรื่องดีหมดเลยสุนนะเผยแผ่ในมันสยิดฉันไม่ได้มีคนต่อต้านมีไหมมีเพื่คนแข่งด้วยกันนี่แหละนี่ก็เหมือนกันหัวซนะุนนะอานิสซาบิน ไม่ให้สุนั์นบีเข้าบ้านฉันไม่ให้สุนั์นบีเข้ามาสัสยิดฉันเสียเงินเท่าไหร่ฉันยอมมีไหมมีหรือไม่มีมีครับ <c oughs> <c oughs> ผมไปบรรยายกับครูครูแอ์นะรหิ ม, มหุลมาสักสามสิบปีที่แล้วเพกาะกาบรถยางแตกเรื่องลกางนะ่ะ <c oughs> ยังแต่เป็นแถวอะไรรถหลายคันถูกอะไรนะีถูกอะไรนะวางวางอะไรนะนี่ก็ต่อต้านไม่ให้สุนทรไปบรรยายเขาทําสําเร็จแต่ลงทุนผลล บ, น, บนี้แบบนี่ไงวสุนดานิสบีแต่ทำแค่นั้นแหละสุนทรยิ่งเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นรถกับพังไปพังไปก็ดุลยาะมีอะไรท้าววัน อ่ตอมากับว่ามาใกล้ดูฟิรอาอนอิลลาฟิตะบาบะตาบาบแปลว่าพินาศใกล้ดูแปลว่าแผนการมาแปลว่าไม่ใช่อื่นใดแผนการแผนการของฟิรอาวนนั้นไม่ใช่อื่นใด อิละนอกจากฟีตาบาบินอยู่ในความพินาศอลลดเก็บศพเอาไว้วันนี้เพราะการสงสัยอโ ล, ลองสงส์สงสัยนบีสงสัยมวัมีจายของนบีมูซาแค่สงสัยนี่อโลดลยังไม่พอใจเลยใช่ไหมฉะนั้นวันนี้เรื่องเคลียร์ให้หมดนะหัวใจเรานะกับอโลดตั้งพันเบอร์เซ็นต กับสุนทรนบีต้องพันกับนบีมุฮัมมัดต้องพันเเซจากกุรานต้องพันเปอเซนต์ย่าไปสงสัยเพราะสงสัยบาบแบกฟาโร่โเป็นไงกับลงทุนต่อต้านแล้วก็สําเร็จไหมล่ะไม่สําเร็จครับเสียเงินไม่รู้ว่าเท่าไรกับเท่าไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาต่อมาครับ <c oughs> ตาบาบนี่นะแปลว่าฮาลาค่ะแปลว่าคาวามนะความ ความพินาศความสิ์ความเสียหายต่อมาก็พระยที่สามสิวกอลลัลลีอามะนายาขวยากมิตบอนอดกุมซบิลรอชาดวกอลลัลลีอามะนายามิ ت อุนอะหดิกุม سبيل ا ั ر ش ا ว่าแบบดีมากกับ <c oughs> คนนี้ก็เป็นญาติเฟืองอุนใช่ไหมเป็นหัวหน้านายตำรวจด้วยนะเราเป็นลูกของลุงด้วยใช่ไหมพูดมาพูดบอกว่าก้อลีอาะและผู้ที่ศรัทธาคนหนึ่งนะครับ ก็ล่ะได้พูดว่ายาเกามีโอ้พวกของฉันเอ้ยนั่งก็ได้ที่ประชุมสภาอะไนะนั่งโอพวกของฉันเอ้ยสงสารเนี่ยวิธีจะให้รอดชีวิตอิตาบียอนีจงอิตาบียอนีเนี่ยอลมะอธิบายบอกวา่า มียาอีกตัวหนึ่งนะอิตตาบิอูนีอ่าแต่คุรานอลัลลอฮ์ไม่ใส่นะครับแต่ว่าตัฟซีททั้งหมดหลายๆเล่เ น, นี่ยบอกว่าอิตตาบิอูนีจงปฏิบัติตามฉันนะเพราะฉันนีได้ความรู้ผ่านนบีมูซามาเป็นความรู้ของอัลลอฮ์ว่าให้ฮะก น, นบีมูซานบีมาสอนฉันฉันอีมาจงปฏิบัติตามฉันเถอะขอร้องอัะดีกุ้ม ฉันจะนำพวกท่านทั้งหลายสาบีลาาิลรอชดสู่หนทางที่เที่ยงธรรมนี่ือนี้หนึ่งนี่แหละเขาเรียกว่างานงานด่าวะไปพูดต่อหน้าคนเลยกล้าพูดด้วยใช่ไหม <c oughs> ดีฟารวมไม่สั่งฆ่ายังไร น, นี่งานนี่กันเนี่ยด่าวะอิสลามแ่ะต้องเดินทางกล้าพูดกล้าสแสดงถ้าจะ ถูกฆ่าในคุ้นทางของรัลลอฮ์ด้ว่าตายอะไรนะตายเฉียดอย่างนี้เป็นต้นนะครับชายคนนี้พูดดีไหมอลัลลอฮ์แสดงว่าทางที่ฟาโรห์ปฏิบัตินั้นเป็นทางที่ไม่ถูกต้องอยู่ในความสงสัยว่าอัลลอฮ์มีหรือไม่มีคําสอนของมูซ่าจริงหรือไม่จริงพินาดวันนี้ก็เหมือนกันคนอย่สงสัยซูนา่นานบีก็รอพินาดเหมือ น, นกันนะ <c oughs> จัดพินาดช้า อันอให้ทำไมให้ชาน่ะจะได้เปลี่ยนแปลงจะได้มาฟังาศาสนาจะได้แก้ไขตัวเองที่ประวิงเวลาไม่รีบลงโทษไม่ให้ตายเนี่ยให้เปลี่ยนแปลงอ่ะถ้ดดันไม่เรียนเองะยังไม่เป็นต้นนะกับอาตอมากับอายะที่สามสิบเก้าอ๋อเนี่ชาคนนี้พูดดีนะยากาม อินน nah. ่ามะฮะซิลฮะยาตุดุนยามะตาอ์ว่าอินนัลอะคริรัตฮิยาดารุลการอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮเอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอดฺอัลลอะฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัอัลอฮฺอัลอฮฺ อินนามะฮะดิฮิล hayatul dunya mata'ar แะอินนัลอะคริรัตฮิยาดารุลกอรอดอัลฮัมดุลิลลาฮฺเปิดหูเปิดตาแล้วอคานี้เ <aggressively> ปิดหูเ <ord> ปิดตาคนในพระราชวังฟาโรห์พวกเราด้วยอิมาลเราเพิ่มขึ้นเอาดูซับยาเก้า คนที่พูดนะคราบยาจิโนนนะลูกชายของลุงเป็นนายตำรวจใหญ่ด้วยนะยาเก้าโอผัวของฉานเอยอินน้ามาเป็นเพียงาฮาดิฮนี้อัลฮายาโลกดุนยาฮายาตุดดุนยาโลกดุนยาใบนี้เป็นเพียงสบายใจั้ม มาเ้านเป็นความสุขชั่วคราวเป็นการบันเทิงเป็นปัจจัยชั่วคราวหาความสุขบนโลกดุนยาชั่วคราวไม่ถาวรยกตัวอย่างคนที่แข็งแรง่ะแข็งแรงกีวัน <c oughs> เดี๋ยวก็มาสบายคนที่มีเงิน บางบางบางครั้งก็ลมละลายมีไหมคนที่ไม่สบายก็ไม่สบายไม่กี่วันก็หายโรคโลกดุนยาใบนี้ไม่มีอะไรถาวรสักอย่างหนึ่งนี่เล่าให้ฟังเปิดหูเปิดตาฟาโรด้วยเงินชื่อเสียงตําแหน่งเกียรติยศไม่ถาวรครับตาแหน่งสอสอหนึ่งเลือกวันวันนี้ไม่ใช่ห ร, นะ อ, ร, อ, อ, รออะไรนะ่ะอบจอบตอะไรน่ พี่น้องรับเงินอบตอผู้ให้และผู้รับพินา ท, ทั้งสองกลุ่มเลยพูดภาษาบานเราก็ชิมหายทาคู่นั่นแหละจะเห็นเมื่อไหร่ที่เห็นแน่ในวันอาเซะร์พาเงินฮารอมเข้าบ้านทําไมจะมีคนหลายค น, คนามาโทรสารมาถามการรับได้ป่าอย่าอย่ารับไป ให้มันจนาตายขาบ้านนั่นแหละอันนี้เป็นตัวเอาแต่การเมืองดิดนหน่อยนะยาโกามูชนของฉันเอ๋ออินนามาเป็นเพียงฮาดิฮิลฮายาตุดุญยาชีวิตแห่งโลกนี้เป็นเพียงการบันเทิงชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราวคาว่ามาตาเนะี่ยทีนี้ในห a d i s อธิบายอย่างนี้ อดุลยากุลลุามัตาโลกใบนี้ทั้งหมดตั้งแต่เพชรพลอยอยู่ใต้ดินน้ํามันก็ดีอะไรก็ดีที่อยู่บนโลกดุลยาทั้งหมดนี่นะเป็นมาตตาเป็นปัจจัยหาความสุขชั่วคราว<ฮะ>ว่าคอยรู้มาจ่าอดุลยาอัลมัตอตุสอริฮะแต่ปัจจัยดุลยาที่ดีที่สุดน บ, บีสอนนะไม่ใช่เพชรไม่ใช่พลอย ไม่ใช่เงินไม่ใช่น้ำมันไม่ใช่ยานวกาศภรรยาผู้หญิงที่เข้าใจศาสนา <ue> เห็นยังนบีชี้เลยครับปัจจัยดุนยาที่ดีที่สุดบนโลกนี้อยู่ที่คนครับถ้าคนคนนั้นเข้าใจอิสลามเข้าใจสุนนะนบีเป็นมัอสอะอัลซอรฮะ <f air> เป็นปัจจัยของโลกดุนยาที่ดีที่สุดสบายใจไ ใครมีภรรยาไปนอนแล้วภรรยาเนี่ยอ่านกุรานถือสีนอดซิกรุลลอฮดูแลลูกไม่ไปด่าลูกไม่ด่าสามีพาไปสวรรค์ดีได้ไม่ดีไปมองเงินไปมองน้ำมันใต้ดินที่อเมริกาไปทุกวันนี้ยังคนน้ำมันก็อยู่นะถึงอิรักนะ่แต่ปล่อยก็ทะเลาะกันอะไรกันนะฟิบร์คยูดีทั้งหมด นี่ยร อ, อจะรอเล่นงานจะลงโทษทีละคนทีลบันวันใบวันทีละคนละคนละคนแล้วก็ฉะนั้นอันนี้เปิดหูเปิดตาคนที่อ่านกูนอ่านย้อนหลงปัจจัยดุนยาถ้าจะสร้างคนนะสร้างผู้หญิงให้เข้าใจาศาสนาดีที่สุดครับมีโรงเรียนเลครับสอนกูนอ่านสอนอนดีสสอนอัคลาของท่านนาบีถ้าไมไม่ไม่เปิด แต่ผู้เราก็เริ่มเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มคิดกันแล้วนะเพราะพูะอารยานี่เตือนต่อมาครับมาตาอ้นเป็นปัจจัยชั่วคราววาอินนัลอาคีรอแต่แท้จริงอาคีรอปะะโลกฮียดารุลกรอรเป็นสถานที่อันมั่นคงอยู่ไปตลอดไม่มีวันหมดอายุ เอาเลือกเอาใครเลือกโลกดุนยาพี่นาศแค่ความตายมาถึงก็หอยซะกนแล้วอยาอยาอัลลอ์ฉันเข้าใจผิดแล้วขอกลับอย่าเพิ่งให้ตายได้ไหมมดจกาถามว่าก็คุณออกมาจากโลกดุนยาแล้วขอกลับโลกดุนยาไปทำมาไม ฉันจะอามาลุซอลิฮันฉันจะทําความดีตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดสอนไปซึมนึกตัวต่อไหนตอนความตายมาถึงขอหอยนี่เรื่องของเราหมดเลยนายพี่น้องฉะนั้นอย่าหลงดุนยาดุนยามีได้ไหมได้มีบ้านหลังหนึ่งค อ, อยังมองบ้านนบีเป็นแบบอานบีมุฮัมมัดเนี่ยมีบ้านอยู่หลังหนึ่งใช่ไหม เวลายืนขึ้นนายกมือติดหลังคาบ้านเ <c oughs> ห็นไหมเวลากันนอนกลางคืนกับภรรยาเนี่ยเวลานมาตะหันยุดเนี่ยเจอเท้าภรรยาเล็กไ่ใหญ่นึกภาพอ่ะนบีนอนบนเสือนึกภาพแล้วเรานอนบนอะไรนึกนบีจะเดินทางนบีชายอูด <c oughs> ถ้าจะขึ้นไมอรอถชันฟ้าชายบุรออรรถจัดให้อะไม่ต้องเหนื่อยเห็นยังครับอิสลามมีทางอสำหรับชีวิตอปลว่าหัวใจเราคิดอะไรวันนี้ถ้าคิดดุญยาดุญยาก็ามเม้าอย่างผู้หญิงเงินชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศพาไปสวรรค์ได้ไหมถ้าเลือกมุสลิมะมัออัลซอฮะ หญิงที่มีศรัทธามีตักวามีอีมานที่จะพาไปสวรรค์ได้ทั้งครอบครัวนี้เลยภรรยานนนะท่านอย่าอย่อยาเข้าใจผิดต้องแยกแยะระหว่างดุญยากับอาคีรอ์อย่างนี้เองนะฮัามเดดิละพี่น้อต่อมาย็สุดท้ายกับมันอามมลส่ยาตัมฟ้าลายูจสะ อิลล์มิ ثلها ومنعمل صالحا من, من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فولايك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب م ันทำลายสิ่งทَ่อัต ل ์ฟ้าลายุจจ م อิลَามิ م ล่าฮะว่ ل มันทำลายสَลิ ل ั ك َิน أ ก ن รินอาอุนซาวะหุบะมุ ف َ أ ُนฟาอุลَ่อีกัยُนัลَั ยุลจกคูนาฟีฮาบิโออิริเฮซาอย่าสุดท้าของวันนี้นะครับดูสัพท์นะ <c oughs> อามิลาแปลว่ากระทำ ม, มันแปลว่าผู้ใดผู้ใดที่มีอามันเพราะว่าอามันเข้าใจง่ายเนี่ใครที่มีอามันที่ใยอัชัวทำงานชัว งานชั่วมีอะไรบ้างตวาดพ่อแม่งานชั่วตบหน้าภรรยางานชั่วไม่เอาเงินให้ภรรยาชายงานชั่วตบหน้าลูกงานชั่วโกงที่ดินครับงานชั่วด่าคนงานชั่วถ้าเป็นมุสลิมไ่มาณาที่มัสยิดงานชั่วไม่อ่านกูนอานงานชั่วหมด มีเงินไนบริจาคงานชั่วครับแต่ยิ่งชั่วเท่าไรอัลลอ ย, ยิ่งให้อยู่สบายให้เพลินเอาไปเลยชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศเงินเอาไปแค่ตายหมด <c oughs> เราจะโวยวายที่หลังลอัลลจะช่วยฉันเนอฉันแย่แล้วไปไม่รอดอ้าวก็ทรงกุนอ่านมานะ่ะพันสี่ร้อยปีทำไมไม่อ่านละ่ะ มุฮัมมัดส่งมาเป็นคนสุดท้ายนบีก anyway, <se> <se> <se> <myślę giving> ่อนหน้านี้ส่งนบีเป็นแสนทำไมไม่เดินตามนบีล่ะก็ด่าเขาไงอันนี้เป็นต้นอาต่อมากครับฟลายูจะาจะไม่ลาแปลว่าไม่ยุจะาถูกตอบแทนอิลลาเว้นแต่มิสล่าฮะเยี่ยงนั้นอธิบายอย่างนี้ ทำความชั่วหนึ่งเท่าได้รับความชั่วตอบแทนหนึ่งเท่าเนี่ยเราเมตตายังเล่าให้นบีฟังใครทําความชั่วหนึ่งเท่าอาลัลลอฮ์ตอบแทนเรื่องชั่วหนึ่งเท่าทำดูลยละความจริงไม่น่าตกนรกนาแต่ตรงกันข้ามนะ ใครที่ทำความดีในสุระอนเนี่ยสุรออันอามสุระอนที่หกอพระที่หนึ่งยหิบมันจะมันจอบิลฮัสซานะตีฟะละหัอัสรออัสซาลุกาใครที่ทำความดีหนึ่งเท่าอัลลอฮ์ให้สิบให้รางวัลส0บถึงร0 0สองถึงเจ0ดรเลยดีหรือไม่ดียิ้มให้คน สิบเท่ายีสิบเท่าสามสามสิบเท่าแบบก็ที่น บ, บีสอนไงใครที่อัสลามุอะลัยกุมเอาไปสิบเท่าสุลามอะลัยกุมุลราะหมัตุลลอฮฺยี่สบสลามอะ ล, ละัยกุมราะหมัตุลลอฮฺกบาระกาดุสามสิบใช่หมี่สอนนะความรู้จะฟ้ า, า, าหมดเลยนะผ่านน บ, บียิบรีมาสอนนะให้น บ, บีมาสอนวิธีให้สลามมีอยู่สามแบบสลามอะลัยกุมอาไปสิบคะแนน س ا ل สลบมะบาริกต e ุให้เยอะสามสิบเฮ้ยย <diffic il baggage> ังฉะนันความดีอยู่ในอิสลามหมดเลยครับมาต่อมามันามิลไซยัดทำฟะเลยุดจาอิลลามิสลฮผู้ใดกระทาความชั่วเขาจะไม่ถูกตอบแทนมากกว่า เว้นแต่เยี่ยงนั้นคือเท่าเดียวต่อมาครับว่ามันอามมลโซลิฮาและผูดด้ใดกระทำความดีอามันที่สอนและเราก็พูดทับสอบกันมาตลอดนะทำความดีมินลากรินจะเป็นชายเพศชายเอาอิงอุนซาหรือเพศหญิงก็ตาม ผู้ชายหรือผู้หญิงนี่กระเทยไม่ได้พูดนะนี่นี่แตะนิดๆเพื่อให้มึนหัวกระเทยไม่เกี่ยวนะเกี่ยวเ่าฉะนั้นใครที่มีลูกอยากเป็นกระเทยง่ายนิดเดียวไปนงองกี่ตัวร่วมรลับนอนอย่าอ่านบิสมิลลาอย่าอ่านด้วยอา อย่ า, านด้วยฉันไม่เอาอัลลอฮฉันจะเอาเซ็กย่างเดียวบนบนที่นอนเดี๋ยวไม่ชาจ ะ, จะเจอไม่ไม่หลานไม่ลูกก็หลานไม่หลานก็หลนครอบครัวคุณถูกแน่ถ้าแอนตี้อิสลามดูอาฉันไม่เอาแต่ฟาโรห์ดูถูกดูอาใช่ไหมวรยศเอารอบบาหูปล่อยมูซาน้ําขอดูอาไปเถอะดูามีอะไรก็เองจมหน้าตาตะ ว, วนันเองอ่ะก็ต้งดูถูก ด, ด, ด, ดูอางนอะ ถ้าดูทูนี่สงสัยอิสลามอย่างนี้เป็นต้นวาหุวามุหมินนี่เน้นอยู่ตรงนี้นะขณะที่เขาทําความดีหัวใจของเขาผูกพันกับอัลลอฮ์เป็นมุหมินเป็นผู้ศรัทธาต่อร้อยย่างพันเปอร์เซนต์อัลลอฮฺอักบัดและเขาเป็นผู้ศรัทธาวาหุวามุหมินตอนที่เขาทําความดีเขาเป็นมุหมินตอนที่เขา นามาเขาเป็นมุมินตอนที่เขาเอาเงินของเขาพันสองพันบริจาคให้คนยากคนจนก็เป็นมุมินเอาเงินยอดมัสยิดเขาเป็นมุมินเขาให้สลามกับคนเขายิ้มกับคนเขาเป็นมุมินฟาอูร์อีกาเหล่านี้พวกเขาญาดูคูลูนันยอนใช่เปล่าทั่วเขาจะ เข้าสวรรค์อ๋ออาบะแต่ต้องตายก่อนนะพวกเขาจะได้เข้าสวรรค์เมื่อไรครับหลังจากตายก่อนอในวงเล็บหลังจากตายแล้วยุษากูอยู่ในสวรรค์นั้นได้รับเครื่องยังชีพยุษะถูกประทานให้เครื่องยังชีพพี่น้องอะไรบ้างนะครับอาหาร มือแรกผลไม้ ก, กับเนื้อนกเอาไปเลยเราเอามาใช้บนบนบนดุลยาก่อนได้ไหมได้กินผลไม้ ก, ก่อนแล้วกินเนื้อนกทีหลังได้ไหมได้เพราะคุณอนานอาชีพฐานะไม่เราแล้วเอามาใช้เพื่อสุขภาพตัวเองจนได้แข็งแรงแบบนี้เปนต้นยูดยาคูนาฟิห์ได้รับเครื่องอาชีพในนั้น บร้อยรียสับโดยไม่ต้องคำนวณอัลลอฮ์ให้แบบไม่อ่านเอาไปเลยเอาไปเอาไปเชิญตักสบายกินให้เต็มที่เขาก็ไม่กินเยอะกินพออิ่มแต่อตอนตักตุนนี่สินี่บุดุญญานะอลัลลอฮ์มีคนอยู่สามคนในครอบครัวมีเงินพันล้านอเออไปทำอะไรวะ ก็ลงดุนยาเนี่ยชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศพอลงดุนยาปั๊บนี่ขิดเห็นไหมจะให้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดยายายายายายพอตายรู้สึกตัวค่ะรอเราจะเอาทีนี้ชีวิตในในสวรรค์นะ น, นี่อาจจะนี้มีสองเรื่องนะใครที่ทำความชั่วออๆๆรอตอบแทนท่านะไหนึง่งแล้วก็ มาเลก้า ย, ยา่บาบวมลาเลก้ามีใช่ไมอยู่กับเราทั้งดีและชั่วเนี่ยเวลาคนคนหนึ่งทำความชั่วมาเลก้าที่เป็นมุมิมบอกว่าเอ็งอย่าเพิ่งบันทึกนะรอให้หชั่วโมงไปก่อนถ้าเขาเต่าบ้าตัวมาจ้บันทึกเลยถ้าเขาไม่เต่าบ้าตัวให้เขียนหนึ่งเท่าตีได้ไหมดี อิ่สรัมุมินนะพูดสัทาตอนล้อนะคนกาเฟมาตรงไปพูดอธิบายแล้วเข้าใจชัดชัดเจนใช่มอะไรอยู่ตัวตึงตัวนึงว่า <c oughs> อากาจะจบอยู่นอนผมอ่านฮะดีสพภคนที่นอนกลางคืนเนี่ยบางคนฝันสเปสปะเยอะใช่ไหมฝันเรื่องไม่ไรดี ขอดุทิต่ออัลลอฮ์บทไหนให้ฝันดีดีดีดีดีผมเจอฮะดีผมเจอเนี่ยอายุจะแปดิอยู่แล้วดูอาว่าอย่างนี้อัลลอฮุมะอินนีอัสอลุกะรุยันซอดียกอตันไร์กาดิบตินนาฟิอาตันไวร์โบบอรอแปลว่าโอ้อัลลอ์ฉันขอดูอาต่ออัลละ์ให้ฉันได้ฝันดี เป็นฝันที่ไม่ใช่เรื่องโกหกและมีประโยชน์และไม่มีอันตรายกับตัวเองขอกับครบสะทายก็ได้เราจะจัดได้ฝันเร่องดีๆคืนออย่าให้มีเรื่องโกหกเรื่องอันตรายฝันไม่ดีฟาโรตอนนี้ถูกลงโทษนะถูกลงโทษนะอย่ะยะต่อไปจะเจอสองครั้ง มาในฝันครับมาในรูปของการฝันนะครับสองครั้งชาวเย็นเราจะเอานอนเนี่ยไปนอนแล้วก็ฝันรายนะเหมือนเดิจริงไหมล่ะจริงเลยฉะนั้นขอมาอัลลอฮฺให้ฝันแต่เรื่องดีๆเถอะ่างี่พิจูดหมดเวลารับสุภาตัลลอฮุญมาอุเบหัมกะวลอิลลาอิลลาตะอัสตะคุรกะวะตูบ ص ัสลลาฮุอะลัยฮุมุ h a و ع ل ه وصحبه ا ل أ ل ي ن الحمد لله